บทที่13การไล่ล่าของกรรมออกจากห้องน้ำด้วยบุคลิกที่เปลี่ยนไปเป็นคนละคนมากที่เคยองค์อาจเป็นนิดกลับจ้องลงถนัดคนเราเมื่อกำลังถูกเงามืดแห่งความหวาดกลัวครอบงำนั้นต่อให้เคยมีสง่าราศีของผู้ชนะโลกมาอย่างไรก็ถูกดูดหายเข้าหลุมดำหมดใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจนต้องเลิกล้มเจตนาค้นหาเด็กเลี้ยงแกะรุ่นเด็ก ความประวัติพร่านใจที่มาพร้อมกับความไม่รู้นั้นทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนมุมมองจากหน้ามือเป็นหลังมือได้กระทันหันเจ้าอ้วนจอมโกหกนั่นอาจเป็นเพียงเครื่องมือแสดงตัวของวิบากกรรมเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่สะท้อนให้เขาได้ลิ้มรสยาพิษที่เคยหยิบยื่นให้คนอื่นมาก่อนรวมทั้งอาจเป็นเพียงเจ้าหนี้เก่าที่ถึงเวลาทวงแค้นคืนเท่านั้นหากเขายินยอมอโหสิโดยดี เรื่องทั้งหมดอาจสิ้นสุดลงกระมังทันทีที่คิดเช่นนั้นก็คล้ายอะไรบางอย่างกระซิบบอกภายในด้วยกระแสเยีบยบเย็นเย้ยือกว่าจะหวังความสิ้นสุดอย่างไรได้ในเมื่อนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเด็กหนุ่มหาร้านขายยาซื้ อ, อยาแก้ท้องเสียแล้วไปเดินเตรในห้างสรรพสินค้าใกล้บริเวณนั้นเพื่อรอดูอาการของท้องไส้อีกพักใหญ่กระทั่งสามารถเข้าห้องน้าอีกครั้ง ขจัดเศษเล็กเศษน้อยที่หลงเหลือตกค้างออกได้จนมั่นใจว่าสะอาดหมดจดระหว่างนั้นเป็นช่วงเวลาของความวิตกกังวลอย่างแท้จริงหลายครั้งจองเลิกเปลี่ยนใจคิดอยากกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยให้รู้แล้วรู้รอดกลัวผลอันไม่เป็นที่รู้ซึ่งกรรมจะกำนันแด่คําท้าของมนุษย์โง่ๆคนหนึ่งประวันพรั่นใจจนรู้สึกว่าตัวเองขบวดคิ้วนิ้วหน้าเครียดเกร็งไปทั้งตัว จะนั่งหรือเดินไปทางไหนไม่มีความสุขเอาเลยแต่ระหว่างเดินทางกลับบ้านกับเดินทางต่อให้ถึงจุดหมายนั้นจะต่างกันสักแค่ไหนในเมื่อมันก็คือการเดินทางเหมือ น, อนกันอยู่ดีไม่ไปวันนี้วันหน้าก็ต้องมาอีกเสียเวลาเสียโอกาสใช้งานมือถือใหม่คิดแล้วจึงเกิดลูกฮึดเริ่มออกเดินทางต่อตามความตั้งใจเดิมเป็นไงเป็นกันเพิ่งรู้สึกว่าโลกทั้งใบเต็มไปด้วยพูดผีปีศาจ ที่พร้อมจะเข้ามาเล่นงานเขาคนที่เดินสวนทางบนทางเท้ารถที่วิ่งอยู่ข้างหลังหรือแม้กระทั่งท้องฟ้าที่ว่างเปล่าเบื้องบนใครจะสามารถคาดการหรือทำนายล่วงหน้าว่าวิบากจะมาไม้ไหนพริบตาใดรู้สึกถึงความเป็นมนุษย์ที่มีสองขาก้าวไปข้างหน้าได้เพียงเชื่องช้าขณะเทวิบากกรรมไม่มีขาไม่มีความจาเป็นต้องกวดไล่ ไม่มีแม้กระทั่งเนื้อตัวให้กำหนดหมายสังเกตสังกาจะมีก็แต่การแสดงตนออกมาชัดๆในรูปของเหตุการณ์ปุบปรับฉับพลันไม่เปิดโอกาสให้ตั้งตัวรับมือใดๆทั้งสิ้นยืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์ด้วยใบหน้าอมทุกข์กำลังคิดคำนวณหาความเป็นไปได้หาขึ้นรถประจำทางจะมีความเสี่ยงในรูปแบบใดบ้างเด็กช่างคนตีกันโจรล่วงกระเป๋าเชื้อหวัดในอากาศและอื่นๆ หากขึ้นรถแท็กซี่จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันแค่ไหนโดนรถใหญ่ชนตีนผีขับซิ่งโชเฟอร์ลวงไปค่าชิงทรัพย์และอื่นคิดสรตะแล้วจึงยอมจ่ายแพงเรียกแท็กซี่มาเป็นพาหานะนำไปสู่จุดหมายเพราะเห็นว่าตนทำความเดือดร้อนไว้กับผู้คนจำนวนมากหากวันนี้จะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในแหล่งชุมชนผู้คนจำนวนมากคงจะเหมาะ ใจเต้นไม่เป็นสัาเมื่อเจอแท็กซี่ตีนผีเข้าจริงๆพอหลุดจากยานการจราจรติดขัดรถก็พุ่งเป็นจรวดแถมโชเฟอร์นิสัยเสียชอบเหยียบเบรกแถมมีลุ้นว่าจะชนหรือไม่ชนคันหน้าได้ช่องแซงเป็นแซงได้ช่องปาดเป็นปาดจนจองเลิกคิดว่าถ้าเขาเป็นบริษัทประกันภัยคงขอเลิกสัญญาทันทีเมื่อหยุดรอสัญญาณไฟในครั้งหนึ่งเด็กหนุ่มพยายามขอร้องให้โชเฟอร์ขับช้าลง ซึ่งฝ่ายนั้นก็สนองตอบด้วยอาการคอแข็งและเงียบเฉยเย็นชาจองเลิกตั้งใจว่าถ้าแท็กซี่สิ่งอีกเขาจะขอลงเดี๋ยวนั้นไฟเขียวโชเฟอร์เหยียบเกือบมิดอีกเรากับจงใจประชดพูดโดยสารวัยรุ่นช่วยจอดด้วยผมจะลงตรงนี้เด็กหนุ่มร้องดังๆเป็นอะไรล่ะน้องแค่นี้ประสาทไปได้เอาหน้าหยุดเดี๋ยวนี้เลยอยากตายก็ไปตายคนเดียวเถอะงุนง่านจนระงับโทรศัพ์ไม่อยู่ เผลอหลุดคำแช่งเกลียวกราดาออกมาซึ่งก็ได้ผลโชเฟอร์หักเลี้ยวควับเข้าจอดเทียบฟุตปา ท, ทันใดจนรถหลังเกือบหยุดไม่ทันและเสยท้ายเข้าให้ได้ยินเสียงแตแปรป้านตามมาสนันคนขับผู้มีใบหน้าแบบนักมวยลูกอีสานหันมาจ้องจองเลิกแทบตาถลนไม่พูดไม่จาคำใดมีแต่ความเงียบที่แฝงอยู่ด้วยกระแสะอมหิดแบบนักเลงจริงเอาเรื่องจริงเด็กหนุ่ม จึงรู้สึกตัวและจอยลงเพราะนี่เองอาจเป็นเคราะร้ายที่กดแห่งกรรมส่งมาตามคำท้าทายของเขาควักกระเป๋าสตางค์ดูมิเตอร์มือสัน่นอธิบายเพื่อให้ภัยเฉพาะหน้าพ้นตัวไปทันทีพี่ไม่เข้าใจผมกำลังตกอยู่ในช่วงดวงตกต้องระวังตัวอยู่ยื่นเงินให้พอได้ยินคำอธิบายโชเฟอร์ก็คลายสีหน้าลงและรับเงินมาโดยไม่เอ่ยโต้อตอบแต่อย่างใดทั้งสิ้น จองเริกเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างระแวดระวังก่อนเปิดประตูลงจากรถไปคลายความอึดอัดลงแต่ใจก็เสียดายมากเพราะถ้าต่อรถแท็กซี่ก็หมายความว่าต้องเสียค่าเดินทางเริ่มต้นใหม่อีกหลายสิบไหนไหนก็ไหนไหนระยะทางช่วงสุดท้ายขึ้นรถเมย์ดีกว่าคงไม่มีอะไรหรือถ้ามีก็คงดีกว่าถูกอัดกอปี้อยู่ในกองเศษเหล็กขนาดเล็กกระมังโชคเข้าข้างบ้างแล้วยืนแค่ครึ่งนาที เจ้าของที่นั่งซึ่งจองเลิกอาศัยเกาะก้นลุกขึ้นลงป้ายเด็กหนุ่มรีบก้าวเข้าไปสวมต่อด้วยความดีใจบนรถเมย์ก็มีความน่ายินดีเล็กๆน้อยๆให้ชีวิตชุ่มชื่นเช่นนี้ได้ที่นั่งหมายถึงโชคได้โชคย่อมหมายถึงหมดเคราะห์หมดโศกอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งทว่าโชคดียังไม่ทันไรโชคร้ายก็เข้ามาเยือนกระเป๋ารถเมย์รับเงินและถอนเงินให้เขาเสร็จกําลังจะพลักจากไปก็เป็นจังหวะที่รถกระตุกจึงเสียหลัก รีบคว้าหูจับบนพนักที่นั่งหน้าเขาแต่เผอิญได้ท่าประเคนศอกแหลมๆวัดศรีรษะเขาแบบจับเปาะไม่ถึงกับแรงนักแต่ก็ทําให้เด็กหนุ่มสะดุ้งด้วยความเจ็บกะโหลกที่ร้ายกว่านั้นเมื่อจองเริกหันมองตาขวางด้วยความโกรธเจ้านั่นก็ทําเมินไม่รู้ไม่ชี้ไม่มีให้แม้แต่คําขอโทษเดินหนีไปเฉยๆถ้าสังเกตจะเห็นยักษไหลเล็กๆด้วยซ้า เรากับบอกเป็นในว่าช่วยไม่ได้ดันเอาหัวไปขวางศอกตัวเองทำไมจองเริกเม้มปากแน่นโมโหจนหน้าเขียวนึกอยากลุกขึ้นไปกระชากไหล่ถามว่าทำไมไม่ขอโทษแต่ก็สู้ระงับอารมณ์ไว้ระลึกอยู่ตลอดเวลาว่าบุ่มบามทำตามแรงบันดาลโทสะเกินไปวิบากภัยอาจได้ช่องมาถึงตัวไวขึ้นในที่สุดก็ถึงอาคารสานักงานของบริษัทเจ้ากรรม จองเริกติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีน้ำใจรับอุปกรณ์สื่อสารจากมือเข้าไปช่วยตรวจสอบเบื้องต้นให้หลังจากเข้าแจ้งว่าเพิ่งซื้อของมาได้เกินหนึ่งอาทิตย์ไปนิดเดียวขอความกรุณาเปลี่ยนอะไหล่ให้วันนี้เลยหากไม่เหลือบ่ากว่าแรงคำตอบคือเป็นเรื่องเหลือบากว่าแรงเพราะชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้นไม่มีสต๊อกไวเจ้านหน้าที่ทาห น, น้าชงางงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง นับว่าเป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากชนิดหนึ่งในพันหนึ่งในหมื่นจำเป็นต้องขอให้ลูกค้ารออะไรประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วจะโทรศัพท์แจ้งให้มารับอีกครั้งเด็กหนุ่มพยายามอ้อนวอนขอเครื่องใหม่แต่เจ้าหน้าที่ก็สายหน้าลูกเดียวบอกว่าที่นี่เป็นศูนย์ซ่อมไม่เกี่ยวกับเคาน์เตอร์ขายมาเจราจากับเขาก็เปล่าประโยชน์กระทั่งจองเลิกต้องก้มหน้าก้มตารับสภาพแบบเจ็บช้ำน้าใจ ยอมเซ็นชื่อรับรู้ในใบส่งซ่อมว่าเขาต้องรออย่างน้อยเจ็ดวันจึงมีสิทธ์มารับคืนหน้ามืดในวูบแรกสัญญากับตัวเองว่าจะทะลวงไส้บริษัทด้วยการปล่อยไวรัสเข้าทำลายข้อมูลสำคัญเอาให้วินาสันตโรชนิดมีคนต้องตกงานกัน ร, รนาวพร้อมฝากข้อความเช่นนี่เพื่อกระตุ้นสานึกรับผิดชอบต่อลูกค้าแต่วูบต่อมาก็เกิดความระลึก ข, ขึ้นได้ว่าตนกาลังอยู่ในช่วงขอท้าพิสูจน์ ความมีจริงแห่งวิบากกรรมไม่ใช่หรือนี่อาจเป็นหนึ่งในสารตอบกลับจากมิติของกฎแห่งกรรมก็ได้ความวัวยังไม่ทันหายเหตุใดเขาจึงคิดเสี่ยงสร้างเหตุแห่งความควายแทรกเสริมเข้าไปอีกล้างหน้าล้างตาในห้องน้ำเงยหน้าขึ้นมองเงาตนเองในกระจกเห็นสารรูปคนสิ้นท่าแล้วเกิดความข้างแคนแน่นอกจะให้เขายอมเป็นฝ่ายถูกกระทาง่ายๆได้อย่างไรเขาเป็นผู้เสียหายเขาเป็นผู้ถูกละเลย เขาถูกมองเป็นลูกค้าประเภทหมูในอวยตามกฎหมายฉะนั้นเขาก็สมควรเป็นฝ่ายกระทําย่ำยีให้บริษัทใจดำได้รู้สำนึกเสียบ้างว่าเขาไม่ใช่อย่างที่ใครคิดครบริมฝีปากสารตากับตนเองในกระจกเงาเห็นมีแววดุร้ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยแรงพยาบาทความคิดเรียงคิวซ้อนทับเข้ามาไม่ขาซ้ายเพียงแต่คาขู่เรื่องกรรมวิบากของคนโบราณ เขาถึงขนาดขี้ขาดตาขาวไม่รักศักดิ์ศรียินยอมเป็นฝ่ายถูกเอารัดเอาเปรียบจากมนุษย์ด้วยการเสียเฉยเฉยกระนั้นหรือตกลงปรงใจเด็ดขาดเป็นตายอย่างไรเขาก็ต้องขอเอาคืนแค่ความกลัวสิ่งไร้ตัวตนไม่อาจห้ามเขาจากการรักษาความยุติธรรมให้ตนเองได้หรอกหน้าจองเริกก้าวเท้าออกจากตัวอาคารด้วยพลังแห่งความอาฆาตมาด ร, ร้ายเขาเกิดมาเพื่อเป็นผู้พิพากษา ไม่ใช่เพื่อเป็นผู้ถูกพิพากษาคอยดูเถอะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับบริษัทเถนตรงไร้น้ำใจนี่พ้นชายคาของอาคารมาเพียง 5-6-9 ก็ได้ยินเสียงของหนักทึบกระแทกพื้นดังตุกใหญ่จากเบื้องหลังทำให้จองเริกสะดุ้งยงกลับหลังหันขวับไปมองต้นเสียงเรากับถูกใครฉุดไหลอย่างแรงความรู้สึกแรกที่บอกตอนเองในแวบแรกคือมีวัตถุหนักๆหกล่นลงมาจากตึก แต่แล้วเด็กหนุ่มก็ถึงกับเข่าอ่อนตกตะลึงพรึงเพลิดเบิ่งเนตเพ่งให้แน่ใจว่าตาไม่ฝาดเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่วัตถุไร้ชีวิตดังคาดทว่าเป็นร่างของชายคนหนึ่งนอนกองคว่ำหน้าอยู่และมีน้ําเลือดเจิงนองแผ่วงกว้างออกมาขึ้นเรื่อยๆภาพอัตวินิบาตกรรมอันน่าสุดสยองที่เกิดขึ้นนั้นเรียกเสียงหวีดร้องของคนละแวกใกล้ที่เริ่มเหลือบมาเห็น และดึงดูดความสนใจไปในวงกว้างอย่างรวดเร็วจองเรก่กระพริบตาปริบๆเรียกสติอยู่ครู่หนึ่งขนพองสยองกล้าวจนหน้าซีดและรีบเดินจากมาแบบเคว้ง ง, งสวนทางกับบรรดาประชาชนซึ่งเคลื่อนทัพย่อยๆกรูกันเข้ามาเกาะกลุ่มดูเหตุการณ์ตามหน้าที่ที่ดีของไทยมุงเกิดมาเพิ่งเคยเห็นการเป็นศพแบบเฉียบพันเดี๋ยวนี้เองไม่รู้รีบร้อนอะไรนักหนาถึงมาฆ่าตัวตายตอนบ่ายวันอาทิตย์ น่าจะนอนพักผ่อนอยู่กับบ้านมากกว่าเอาชีวิตมาทิ้งชนิดที่เกือบทำเขามมดม้อยมรณาตามไปด้วยแบบนี้เบื้องหลังที่เขาเดินจากมามีใครคนหนึ่งเพิ่งตายจากโลกนี้ไปและป่านนี้คงรู้แล้วว่าโลกหน้ามีจริงหรือไม่นี่เขาบาังเอิญเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์อัปมงคลหรือว่าภาพอัปมงคลจงใจเข้ามากระทบเขาให้ขวญหนีดีฟอ แบบที่ถูกกำหนดให้เป็นอีกหนึ่งสัญญาณตอบรับคาท้าทายของเขาคนคิดสั้นย่อมมีเหตุกดดันที่ไม่เกี่ยวข้องกับเขาการตัดสินใจฆ่าตัวตายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หลายอึดใจโดยที่เขาไม่รู้เห็นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยแม้ต่อน้อยแต่จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยทางอ้อมหากงานบางอย่างของบริษัทเสียหายเพราะโดนโปรแกรมโทรจันของเขา แล้วเจ้าหน้าที่บางคนต้องรับผิดชอบด้วยการถูกไล่ออกเล่าจองเริกกัดริมฝีปากแทบห่อเลือดเริ่มเดินแบบคนมีสติครึ่งเดียวในหัวหมกมุ่นครุ่นคิดถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยความวกไปวนมาเหตุการณ์ดีร้ายอาศัยตำแหน่งสถานที่และจังหวะเวลาซึ่งบุคคลต่างๆโคโจรมาประจวบกันถ้านี่เป็นลีลาแสดงตัวของผลกรรมก็ต้องกล่าวว่า โลกนี้ไม่มีสิ่งใดน่าประวันพรั่นพรึงเท่าเพราะหากเมื่อครู่เขาถูกตัดสินให้ตายวิบากกรรมก็เพียงเลื่อนเวลาโดดตึกของคนคิดสั้นออกไปเพียงสองสามพริบตาเท่านั้นเขาจะไม่มีทางหนีรอดแม้แต่น้อยเนื่องจากเกิดมาไม่เคยแงนหน้ามองระวังวัตถุเบื้องบนก่อนโปรพ้นชายคาอาคารเลยสักครั้งเดียวต้องถือว่าเคราะห์ร้ายเพียงนิดหน่อยที่ผู้พิพากษาตัดสินให้เขา เ จ, เจอเพียงภาพสยดสยองแต่ไม่ต้องพลอยมีส่วนร่วมกับความสยดสยองเข้าไปด้วยมานั่งที่ป้ายรถเมย์ชักหายใจไม่ทั่วท้องมือไม้เริ่มออกอาการชาเหอคล้ายจะเป็นลมแม้เรื่องกระทุ้งขวัญเมื่อครู่ยังไม่อาจชี้ชัดว่าวิบากกรรมมีจริงและกำลังเป็นเงาติดตามเล่นงานเขาอยู่แต่มันก็สั่นประส า, ขาทขณะทาเอาจองเิก พ, พึมพำออกมาเสียงกระเซ่าผมพูดเล่นขอถอนคาท้า ภาวนาให้วิบากกรรมมีแก้วหูและไม่ติดธุระอื่นได้ยินเสียงอุทธรขอเจรจายกเลิกข้อตกลงเก่าจากเข้าด้วยเถิดเริ่มมองโลกด้วยสายตาระแวงภัยหนักขึ้นแม้แต่เด็กที่กำลังเดินกินลูกชิ้นอย่างอร่อยอร่อยก็ทำให้จ้องเลิกาวาวะเพราะเห็นปลายไม้แหลมในมือเด็กแล้วเสียวลูกตาชอบกล ค, คานวณว่าหากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งทาให้เด็กน้อยสะดุดหัวเข้ามามาทางเขาในบัดนี้ ไม้เสีบลูกชิ้นของเจ้าหนูก็มีสิทธิทิมเข้าเบ้าตาเข้าพอดีค่ำนี้อาจมีข่าวแปลกน่าเล่าลือไปทั้งเมืองวัยรุ่นที่ป้ายรถเมย์โดนไม้เสีบลูกชิ้นของเด็กน้อยแทงแก้วตาทะลุโดยบังเอิญใช่แล้วทุกคนจะบอกว่าช่างบังเอิญเสีย จ, จริงแต่พอถามว่าทำไมถึงบังเอิญได้เหลือเชื่อปานนั้นก็คงจะมีแต่ความเงียบกริบในอากาศเป็นคำตอบสุดท้ายเด็กน้อยเดินผ่านไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้น จองเลิกถึงกับระบายลมหายใจโล่งอกก้มหน้ามองพื้นแล้วหัวรับแผ่วนับแต่นี้เขาคงเฝ้าระแวงระวังทุกสิ่งทุกอย่างตนกอกสัน่นกับทุกการเคลื่อนไหวรอบด้านกระทั่งเกิดภาพหลอนกลายเป็นคนสติฟั่นเฟือนไปในที่สุดถอนใจเฮือกหนึ่งเงยหน้าขึ้นมองโลกเต็มตาใกล้ตัวเขามีเพื่อนร่วมรอรถเมล์ด้วยกันหลายคนไกลออกไปมีตึกรามบ้านช่องเรียงราย บนถนนมียอดยานวิ่งบ้างหยุดบ้างควักคว่รอบด้านเต็มไปด้วยสาเสียงเยี่ยงสภาพใจกลางเมืองเป็นปกติทุกประการนี่คือโลกมนุษย์ที่เขารู้จักคุ้นเคยไม่มีความแปลกแยกระหว่างสภาพความเป็นมนุษย์ด้วยกันเพิ่งตระหนักเดี๋ยวนั้นว่าตนเคยอบอุ่นใจอยู่ในมิติที่มีเพื่อนร่วมโลกเพื่อนร่วมทุกเพื่อนร่วมไม่รู้อีโนอีเนทั้งหลายมาช้านานเพียงใด ยามประวัติพรานใจว่ากำลังมีวิบากกรรมตามเล่นงานความหน้าอบอุ่นใจก็หายหนนไปหมดในเมื่อทุกสิ่งทุกคนและทุกเหตุการณ์ล้วนเข้าข่ายหน้าระแวงได้ทั้งสิ้นโลกมนุษย์ไม่เหมือนแหล่งพักพิงเดิมที่เคยรู้จักมากคุ้นอีกต่อไปแต่จะเหมือนป่าใหญ่ที่มีไว้ให้สัตว์หลบหนีการไล่ล่าของนายพรานแทนพรานที่เป็นคนยังมีร่องรอยการมาการไปใหกาหนดดูด้วยแก้วตา ยังมีเสียงย่ำเท้าสวบสาบให้กำหนดฟังด้วยแก้วหูยังมีกลิ่นสาบให้สำเนียกดมผ่านโพรงจมูกแต่พรานที่เป็นวิบากกรรมจะให้ถือเอาสิ่งใดเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงการมาการไปได้เล่าขึ้นมาบนรถโดยสารปรับอากาศแล้วได้ที่นั่งทันทีมองนอกหน้าต่างอย่างเหม่อซึมเหมือนคนทอดอะไรตายยากการเพิ่งเห็นคนโดดตึกตายมาหยกยกทำให้เกิดสัมผัสว่าชีวิตเป็นของน้อย มีความเปราะบางเหมือนแจกันที่ล้มตัวเองตกลงมาแตกดับได้ทุกเมื่อหลังจากจ่ายค่าโดยสารจองเริกก็ปิดตาลงไม่อยากยินยตนสนใจสิ่งรอบข้างอีกเลยเขาเผลอหลับบนรถประจำทางฝันว่ากลับไปยังที่เกิดเหตุอัตวินิบาตกรรมเห็นคนมุงดูกันมากมายแต่แล้วชายที่นอนคว่มหน้าก็ลุกขึ้นยืนยิ้มร่าโบกไม้โบกมือไปรอบทิศ เหมือนถึงเวลาที่ตัวจำออดเปิดเผยว่าทั้งหมดเป็นเพียงละครหลอกตาฉากหนึ่งเท่านั้นเรียกเสียงเฮฮาและเสียงปรบมือจากบรรดาไทยมุงยกใหญ่ทุกคนต่างโล่งใจว่าไม่มีโศกนาฏกรรมเกิดขึ้นจริงแม้แต่จองเริกก็พลอยยิ้มสดชื่นตบมือส่งเสียงเ hey, ฮไปกับคนอื่นด้วยความริงโลดตื่นจากหลับด้วยความรู้สึกได้กลับเป็นของตัวเองอีกครั้งความจริง คือชายผู้กำหนดวันตายให้ตนเองได้มอดม้วยไปแบบไม่มีวันฟื้นฝันของคนยังมีชีวิตเท่านั้นที่หลอกตัวเองได้เป็นตุเป็นตะว่าคนตายอาจกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกหรือมีชีวิตขึ้นมาใหม่ในที่อื่นจองเริกยิ้มสดชื่นทำไมเขาไม่เข้าใจเสียตั้งนานแล้วว่าความจริงก็คือสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินอยู่แค่นั้นแหละพ้นจากสิ่งที่เห็นและได้ยินก็แค่ความคิดฝันไปเองทั้งเพ ตั้งมุมมองไว้อย่างไรก็ชนให้เชื่อได้อย่างนั้นไปหมดโทรศัพท์มือถือของเขาเสียความจริงก็คือมันเสียแต่ถ้าเขาอยากจะโยงว่ามันเกี่ยวข้องกับกรรมเก่ามันก็ถูกมองว่าเป็นวิบากกรรมไปได้เขากินส้มตําสแสลงท้องต้องรีบเข้าห้องน้ำด่วนเจอคนหน้าเนื้อใจเสือหลอกให้หลงวิ่งไปพบกับทางตันความจริงก็คือเป็นคราวซวยแต่ถ้าเขาอยากจะโยงว่า มันเกี่ยวข้องกับกรรมเก่ามันก็ถูกมองว่าเป็นวิบากกรรมได้ตรงๆเช่นกันล่าสุดคือคนอยากจะตายคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวเผอิญโดดลงมาในจังหวะที่จะทำให้เกิดภาพสะเทือนขวัญสำหรับเขาความจริงก็คือเขาเห็นคนฆ่าตัวตายแต่ถ้าเขาอยากจะโยงว่ามันเป็นการส่งสัญญาณรับคำท้าจากมิติของกฎแห่งกรรมมันก็ถูกมองว่าเป็นสัญญาณเตือนได้เป็นจริงเป็นจังด้วย พยักหน้ายิ้มกับตนเองแค่หลับฝันงีบเดียวตื่นขึ้นมาสบายใจอย่างบอกไม่ถูกนี่คงเรียกว่าเป็นการเข้าซึ้งถึงสัจธรรมเลยกระมังนั่นคือมองอย่างไรก็เห็นอย่างนั้นความหวาดระแวงและอาการระแวดระวังสลายตัวลงเป็นปลิดทิ้งจองเลิกนั่งมองโลกนอกรถเมย์อย่างสบายใจเฉบพอเส้นความกลัวแค่ตัวเดียวอะไรอะไรก็สว่างใสดังเดิม และไม่มีสิ่งแวดล้อมใดรบกวนเขาให้เสียสุขภาพจิตได้ต่อรถสองท่อมาถึงป้ายหน้าปากซอยบ้านจองเลิกลงเดินด้วยสีหน้าสีตาอิ่มสุขเรากับเพิ่งได้คำตอบรับรักจากสาวโลกรอบตัวสงบนิ่งไม่มีวี่แววภยัยพานใดๆแม้แต่หมาตัวที่ชอบแยกเขี้ยวคำรามขู่เขาเป็นประจำก็เหมือนขอพักรบเห็นเขาแล้วเมินไปทางอื่นแทนทั้งที่เด็กหนุ่มเตรียมใจอยู่ว่า อาจต้องเผชิญกับเหตุบังเอิญครั้งสุดท้ายก่อนเข้าบ้านเช่นถ้าเจอหมาแย่เขี้ยวไล่งับเขาก็จะวิ่งหนีด้วยหน้าตาเบิกบานไม่หลงโยงไปว่ามันคือวิบากกรรมใดๆอีกถึงบ้านเอากุญแจไขประตูรั้วเปิดออกกว้างกางแขนแหงนหน้ามองฟ้าเยี่ยงผู้ได้รับอิสรภาพอย่างแท้จริงร้องเบาๆแต่หนักแน่นว่า yes เหมือนอยากขอบคุณเทวดาฝรั่งเพราะสรุป คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นคำท้าของเขาเป็นมันหรือที่แท้วิบากกรรมคงไม่มีจริงหากคำอธิษฐานของเขาศักดิ์สิทธิ์ก็แปลว่ากฎแห่งกรรมต้องแผลงฤทธิ์ภายในวันนี้ซึ่งก็หมดเวลาเสียแล้วหากนับเอาการเห็นคนโดดตึกตายว่าเป็นเรื่องร้ายที่มาตามนัดก็ต้องขอบอกว่าจิ๊บจอยมากเขาเห็นตอนตานั่นตกถึงพื้นแล้วไม่ได้หวาดเสียวสักเท่าไหร่อีกอย่าง เขาหาได้เป็นคนขวัญอ่อนที่จะอุ้ยตายไว้กรีดเก็บไปนอนฝันร้ายอีกหลายคืนคนอยากตายก็ช่างหัวมันปารไรทำไมเขาจะต้องเดือดร้อนหรือยอมให้จิตใจหดหูเพราะเรื่องของคนอื่นด้วยเล่าเข้าบ้านอาบน้ำสนานกายด้วยความสำเริงสำราญยิ่งรู้สึกว่าสายน้ำสู้ซาจากฝักบัวเหมือนน้ำมนฉลองชัยเลยทีเดียวเมื่อ อ, อาบน้าเสร็จแทนที่จะเข้าห้อง เก็บตัวเงียบอยู่กับคอมพิวเตอร์เครื่องโปรดดังเคยจองเลอร์อก็ออกมานั่งคุยกับแม่ซึ่งกำลังนั่งถอดภ้าอยู่ที่ระเบียงด้านหน้าไม่ออกไปไหนหรอแม่เขาทักด้วยน้ำเสียงเจือปิติสุขนันทากาเงยหน้ามองลูกชายนิดหนึ่งก่อนก้มลงดูผพ่บนโต๊ะต่อคนนั่งถอดผ้าหัวโดอยู่เนี่ยควรจะมีธุระออกไปไหนไหมล่ะท่าทางแม่กาลังหงุดหงิด ซึ่งจองเริกก็ดูออกว่าไม่เกี่ยวกับการถอดไพ่บนโต๊ะแต่เหมือนมีเรื่องเครียดอยู่ในใจแม่มากกว่าเด็กหนุ่มจึงหัวเราะเอ่ยไม่ถือสาอีกทั้งยังมีแก่ใจซักถามงั้นเปลี่ยนคำถามใหม่แม่กำลังเครียดเรื่องอะไรอยู่เนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดเชียวนันทกาอึ้องไปนิดหนึ่งแต่แล้วก็พูดปัดฉันอย่างอยู่คนเดียวแกจะไปไหนก็ไปเธอเลิกจองเลิก จ้องมองมารดาของตนจริงจังขึ้นปกติครอบครัวของเขาไม่ค่อยแสดงความเอาใจใส่กันและกันมากนะักต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือตัวเองโดยไม่ปรีปากบอกคนอื่นแม้กำลังเผชิญสถานการณ์ยากลำบากเพียงใดคล้ายมีความทนงในศักดิ์ศรีหรืออีกทีคือเกรงคนอื่นจะหาว่าอ่อนแอทำอะไรทำนองนั้นแต่ยามนี้จองเลกรู้สึกห่วงใยมารดาอย่างประหลาดเหมือนจู่จู เขาก็มีความเอื้ออารทรขึ้นในหัวใจหรือเพิ่งเกิดสัมผัสอย่างลึกซึ้งว่าผู้อยู่ตรงหน้าคือแม่ผู้ให้กำเนิดตนไม่ใช่แค่หญิงวัยกลางคนที่สักแต่ปรากฏตัวให้เห็นคุ้นตาเล่นเขาควรห่วงใยรักษาควรไถ่าถามสารทุกข์สุขดิบควรช่วยเหลือเกื้อกูลสุดความสามารถย้ำท่านเดือดร้อนความใ ย, ยดีเออขึ้นท่วมทนแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้ขณะที่เห็นต่อยอดไปเลยทีเดียว ว่ามนุษย์ควรเป็นความอบอุ่นใจให้กันและกันช่วยเหลือกันไม่ทอดทิ้งกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในร่มไม้ชายคาเดียวกันแม่มีปัญหาอะไรเหรอผมไม่ใช่เด็กแล้วนะอย่างน้อยให้ผมรับฟังเพื่อรู้ลูกทางช่วยแม่ได้แรงหนึ่งนันทกาเงยหน้ามองลูกชายด้วยแววชงนเพราะแต่ไหนแต่ไรมาลูกชายไม่เคยเศ้าซีทานองนี้มาก่อนแกน่ะเหรอไม่ใช่เด็กยังแบมือขอตังค์ฉันอยู่แท้ ลูกชายได้ยินเช่นนั้นก็ขมวดคิ้วเกือบลุกหันหลังหนีคำสบ ป, ประมาทไปในทันทีแต่แล้วก็ทำใจไม่ถือสาเสียได้เนื่องจากในตาขุนและสีหน้าอมทุกข์หนักของแม่ประกาศถึงปัญหารุมเร้าหนักหน่วงอย่างไม่เคยเป็นหากเข้าโมโหและแสดงกริยาน่ารัคายก็คงเหมือนยิ่งซ้ำเติมกันเปล่าๆแม่มีปัญหาเรื่องเงินหรอจองเลกดักทางเพราะผู้ใหญ่คงไม่มีปัญหาใดหนักเกินเรื่องพันนี้ และนั่นก็คงแทงถูกใจดำเขาเห็นแม่ก้มหน้าสลดลงวูบหนึ่งก่อนเงยขึ้นแสดงความคล่งเคียดให้ปรากฏเป็นการปกป้องภาพลักษณ์ตนเองวันนี้แกเป็นอะไรฮะต่อแย่อยู่ได้คนจะมีสมาธิถอดไพ่เสียหน่อยท่าทางแม่คงไม่อยากให้ใครรับรู้ปัญหาจริงๆ จ, จองเริกจึงผงกศรีรษะและลุกขึ้นยืนโดยดีงั้นผมไม่กวนใจก็ได้แต่ถ้าเกิดเรื่องหนักหนาก็บอกผมแล้วกัน ผมอาจช่วยแม่ได้เกินกว่าที่แม่จะคาดคิดขณะนั้นเองก็มีใครคนหนึ่งกดออดหน้าบ้านสองแม่ลูกเหลียวไปมองเห็นเป็นชายในเสื้อเยืดเกลงเกงยีนนันทกาเขมินมองด้วยท่าทีลุกรี่ลุกหลนอย่างคนมีพิรุษพึมพำรรกับลูกชายเบาๆใครนั่นน่ะสงสัยมาขายของมั้งแม่เออๆออถ้าอย่างนั้นไล่ไปเลยจองเลิกส่งเสียงถามไม่ดังไม่เบาเพราะระยะไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่มาหาใครครับมาพบคุณนันทกา คำตอบนั้นทําให้มารดาของจองเลิกลุกพวดแกไปบอกเลยว่าฉันไม่อยู่ก็เขาเห็นแม่แล้วนี่บอกว่าฉันเป็นคนอื่นก็แล้วกันนันทกาผุดหายเข้าบ้านทันทีโดยไม่ฟังอะไรอีกจองเลิกมองตามด้วยสังหรณ์ไม่ดีเพราะนั่นไม่ใช่กริยาท่าทีที่เล็กน้อยนักโดยเฉพาะสําหรับแม่ที่ไม่เคยกลัวใครหน้าไหนเดินสบายๆไปที่หน้าประตูรั้วด้วยความอยากรู้เรื่องมากกว่าอย่างอื่นมีอะไรหรือครับ เรียกแม่น้องออกมาเถอะอย่าหลบเลยยังไงก็ไม่พ้นหรอกชายคนนั้นพูดเสียงปกติแต่เด็กหนุ่มสัมผัสได้ถึงความแข็งกร้าวอยู่ในทีแม่ผมไปทำอะไรมาเหรอติดหนี้แล้วไม่จ่ายนะ่ะคำตอบสั้นๆทำให้ทุกอย่างกระจ่างแจ้งโดยพลันตระหนักในบัตรนั้นว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจริงๆแต่นั่นยังไม่ทำให้สะดุ้งเท่าเสียงทักที่ดังมาจากอีกทางเฮ้ยหวัดดีไอ้น้องเมื่อเหลือบมองตามเสียงทัก หัวใจจองเริกก็แทบหยุดเต้นชายชะกันร่างใหญ่ตัวดำผู้เดินตามมาสมทบจะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากพี่เบิ้มที่โดนเขาเอาขวดน้ำอัดลมคว้างใส่เมื่อเร็วๆนี้สบายดีหรือมอนั่นพยักพยเยอะทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเรากับรู้จักคุ้นเคยกันมานานจองเริกอ้ำอึง้งพูดไม่ออกเท้ายึดอยู่กับที่ด้วยความตะลึงงนินรู้สึกจนตรอกออกหนีไปไหนไม่ได้นักเลงใหญ่ ลองเปิดประตูเล็กเผอิญบ้านเขาไม่ค่อยล็อกประตูก่อนค่ำบุรุษนักทวงนี่ทั้งสองจึงล่วงผ่านเข้ามาอย่างง่ายดายโดยไม่ต้องปีนให้ลำบากกรรมมีจริงเชื่อเถอน้องเอ้ยจองเลิกตัวชาจังงังสันหลังเย็นเฉียบมิใช่เพราะทาตย่างสามขุมเข้ามาประชิดของพี่เบิม่มแต่เป็นคำพูดที่หลุดจากปากนั่นต่างหากคนพูดจะรู้ตัวหรือเปล่าว่ากล่าวอะไรออกมาพี่น่ะ กราบมอนขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ทุกคืนชาตินี้ขอให้ได้กระเทิบน้องสักทีหนึ่งก่อนตายเฮอไม่นึกเลยว่าจะเป็นวันนี้ท่านทางชายคนนั้นลืมไปแล้วว่ามาที่นี่ด้วยจุดประสงค์อันใดเขาคว้าแขนจองเลิกหมักด้วยมือแข็งยิ่งกว่าคีมเหล็กชนิดที่เด็กหนุ่มรู้ดีว่าเปล่าประโยชน์กับการพยายามดิ้นรนเขาได้แต่หน้าซีดยอมโดนลากตัวเข้าบ้านโดยปราศจากการขัดขืน คลายรู้รำไรว่าอนาคตอันใกล้นี้มีชะตากรรมแบบไหนรออยู่เมื่อเข้ามาในห้องกลางรับสายตาผู้คนชายร่างใหญ่ผู้อเผอิญพกความอาฆาตติดหมัดมาด้วยก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงกระชากคอเสื้อเด็กหนุ่มเข้าหาแล้วยิงหมัดตรงสวนเข้ากระแทกโหนกแก้มเต็มเนียวยังผลให้จองเลิกเจ็บปวดเรากับใครเอาค้อนทุบหน้าเขาร้องสุดเสียงอยู่ในความคิด หรือร้องโหยหวนออกมาทางป่ากกันแน่ก็ไม่ทราบการชกต่อยกับเพื่อนที่โรงเรียนไม่อาจเป็นประสบการณ์เทียบเคียงกับอะไรอย่างนี้ได้เลยโดนหมัดเพื่อนนั้นยังรู้สึกว่าเป็นหมัดคนแต่นี่ไม่เหมือนในความมึนงงท่ามกลางสเก็ต ด, ดาวพราวพรายจ้องเริ่กยินเสียงแม่ของเขากรีดร้องลั่นแกจะทำอะไรลูกฉันปล่อยนะช่วยด้วยถ้าเป็นเวลาที่มีสติสัพชัญญะดีกว่านี้ เขาคงปราบปลื้มที่แม่เป็นห่วงเขาเหมือนกันแต่ยามนั้นรู้สึกคล้ายตนเองเป็นหุ่นปราศจากชีวิตโดนหมัดเดียววิญญาณถูกกระชากออกไปกว่าครึ่งแทบไม่หลงเหลือความรู้สึกยินดีอันใดกับใครได้อีกแล้วชายที่มาด้วยการปาดเข้าอุดปากนันทกาเดี๋ยวได้เจ็บตัวทั้งแม่ทั้งลูกหยุดแหกปากยาวอนเสงตวาดเฉีบขาดประกอบปลอกแขนแกรง่ง ที่เข้ายึดร่างหล่นฉับพลันทันด่วนนั้นทำเอานันทกาเงียบกริบสาบนักเลงร้ายสะกดให้เบิกตาค้างแทบฉี่เล็ดด้วยความหวาดกลัวถึงขีดสุดเมื่อห้ามผู้หญิงได้ก็หันไปปรามลูกพี่ต่อเฮ้ยพี่อิดยังๆบ้างเดี๋ยวมันตายขึ้นมาจะยุ่งนาเออกูกะถูกหนะ่าอย่าห่วงไม่เข้าเรื่องแล้วอิดก็หันไปอธิบายให้นันทกาฟังยิ้มยิ้มบ่ต้องแปลกใจเดอ้อนี่ไม่ใช่วิธีทวงนี่แนวใหม่ คือเผอิญลูกชายคุณมันก็ติดหนี้ผมอยู่เหมือนกันขอถือโอกาสทวงพร้อมกันทั้งสองคนเดี๋ยวถามไถ่มันดูได้ถ้าไม่เชื่อนันท ก, กาตัวสั่นงินงกด้วยความงุนงงไม่ทราบว่านักทวงนี้พูดเรื่องอะไรได้แต่มองลูกชายถูกขย่ำในกรงเล็บเสือใหญ่อย่างไม่ทราบจะช่วยด้วยวิธีไหนวันนั้นพี่ยกมือปิดไม่ทันอิดหันกลับมาพูดกับจองเลิกเจอขวดเบปซี่ของน้องเข้าที่ข้างกระบาล น, นะวะ หัวโนไปพักใหญ่มึนจนนึกว่าจะคิดเลขเด็กปหนึ่งไม่ออกซะแล้วชายที่เป็นผู้ช่วยฟังมุกลูกพี่แล้วอดขำไม่ได้เสริมว่าเออแถมวิ่งเร็วเป็นลมกรดด้วยรับมุมหลัดๆนิดเดียวโดดเข้าบ้านใครหายไปแล้วตามยังไงก็ไม่เจอจองเริศกำลังฟังเพลินๆทันใดก็รู้สึกว่ามีหมัดจ้วงเข้ากระทบศีรษะด้านข้างอย่างแรงเขาผวาเยือกและข่าอ่อนซุดหัวเป็นนกปีกหัก รู้สึกว่าสมองหยุดทำงานหรืออีกทีคือเกิดพายุในหัวก่อขึ้นปัน่นป่วนยังไม่เคยประสบมาก่อนมีแต่แรงพยุจากมือที่กําคอเสื้อเข้าไว้ทำให้ไม่หล่นลงกองกับพื้นพี่โดนตรงนี้แหละน้องเอ้ยขออนุญาตชี้จุดให้ดูชัดๆอย่าทำลูกฉันเลยฉันขอร้องละนันทกาสะบัดหน้าหลุดจากมือของผู้คุมวิงวอนเสียงหลงอิดสะบัดหน้ามามอง ผมไม่เอาตายก็บุญแล้วน่ะจะสั่งสอนให้เด็กมันรู้สํานึกเสียหน่อยโตขึ้นจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคมทําหน้าเคร่งพูดราวกับเป็นคุณครูผู้มีหลักการเสร็จแล้วหันมาตะคอกใส่ใบหน้าอาบเลือดของเด็กหนุ่มราวกับปีศาจร้ายยังไม่หายเจ็บใจว่าเฮ้ยขออีกตุ๊บเหอะอีกตุ๊บที่ว่าคือการตวงกําปั้นอัดเข้าเลนปีกะแรงไม่ให้ถึงขนาดต้องล้มหมอนนอนเสือหยอดน้ําเกลือโรงหมอ แต่นั่นก็ยังความจุกเสียดแน่นแก่จองเริกไปทั่วร่างรากับจะหายใจไม่ออกไปอีกหลายวันเด็กหนุ่มเหลือกตาอ้าปากพะงาบมืออ่อนตีนอ่อนอยากครางระบายความเจ็บบ้างยังครางไม่ออกรู้สึกรางๆว่าคอเสื้อตนหลุดจากมือของนักเลงใหญ่และเขาก็อยู่ในท่าคุกเขา่ากราบอีกฝ่ายอย่างซิโรราบโดยไม่ตั้งใจอิดเห็นท่าหมดรูปของหนุ่ม ลูกคางใสเช่นนั้นก็อารมณ์ดีขึ้นแล้วเปลี่ยนความแค้นเป็นนึกสมเพศแต่ยังไม่หายเหมั่นไส้สิทีเดียวจึงใช้เท้าเขี่ยทีหนึ่งให้ร่างหมอบนั้นลงนอนหงายแล้วเหยียบยอดอกกดน้ำหนักครึงครึงเล็กน้อยแบบช่างใจร่ำร่ำอยากกระทืบแต่กระทืบไม่ลงเพราะสันดานเดิมไม่ได้หาฤโหดขนาดทำคนไร้ทางสู้เยี่ยงกระสอบทราย มึงมันแค่ไอ้ลูกหมากัดเสร็จแล้ววิ่งหนีนิสัยแบบนี้มันไม่ใช่ลูกผู้ชายหรอก voy ไ, ไอ้น้องชาติหน้าไปเกิดเป็นตัวเมียเถอะมึงนะ่ะด่าเสร็จก็พระจากร่างเยียดนอนบิดไปมาเชื่องช้าของเด็กเมื่อวานซืนหันมาทำธุระกับหญิงวัยกลางคนเป็นลำดับต่อมาสำหรับคุณผมมาทวงดีๆเพราะนี่เป็นการทวงครั้งแรกแค่อยากบอกว่าถึงเวลาจ่ายแล้วและทางเราก็ไม่มีนโยบายพักชราระหนี้แบบรัฐบาล เราผ่อนผันให้ได้ไม่เกินสองอาทิตย์อย่างน้อยที่สุดต้องเอามาครึ่งหนึ่งพร้อมดอกเบี้ยตามกติกาบัดนี้สาวใหญ่ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระหล่อนร้องไห้จนน้ำตาแทบเป็นสายเลือดตอบด้วยเสียงแผ่วอ่อนเจือสะอื้นฉันยังไม่มีมันก็ตอบอย่างนี้กันทุกคนแหละอิดพูดเอ่อยเหมือนบ่นอย่างชินชามากกว่าแสดงท่าคุกคามข่มขวัญ มีเพียงในตาโชนแสงดุจัดจ้าที่ประกาศว่าหาใช่การพูดเล่นเรื่อยเปยื่อยไม่เข้าใจเหมือนกันไม่มีแล้วทําไมเสือเล่นเข้าไปได้ขนาดนั้นหมดตัวแล้วยังไม่หยุดนึกว่าจะได้คืนแค้นจะจับเสือด้วยมือเปล่าฟังให้ดีคุณต้องมีผมไม่สนว่าคุณจะไปหามาอย่างไงหรือคุณจะฆ่าตัวตายหนีนี่ทิ้งลูกทิ้งผัวให้ซวยแทนก็ตามใจ เผอิญเพิ่งมีหนังตัวอย่างฉายให้ดูสดๆร้อนๆคงไม่ต้องจินตนาการกันละนะว่าพวกเขาจะรับเคราะห์ท่าไหนโต๊ะพนันแบบเราไม่มีเวลาจ้างทนายส่งเรื่องฟ้องศาลหรอกนันทกาแบะปากรรองไห้โฮยกหลังมือเช็ดน้ำตาป้อยรู้สึกตึงแน่นที่ขมับเหมือนจะระเบิดตระหนักชัดว่าชะตากรรมของตนหลังเสียพนันครั้งใหญ่คือขุมนรกที่รายล้อมด้วยกาแพงไฟมหมา และเป็นที่ที่อยากตายก็ไม่อาจตาย